เวลาที่ท่านผู้ฟังศึกษาคําสอนของพระ จะทราบว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดในเพราะว่าข้อมูลที่ สิ่งที่เราได้ฟังมานั้นถ้าเป็นพุทธพจน์นั้นจริงๆเนี่ยมันจะมีที่ผิดนะเพราะว่าหรือว่าสิ่งที่เราฟังอยู่นี้นี้เป็นคัมภีร์พระไบเบิลบ้างพระองค์นั้น กับคำสั่งของพฤชาเราฟังหาดูตรงนั้นในที่มันเหมือนกันทําไมหาตรงนั้นนะเพราะว่าส่วนที่เหมือนเนี่ยเราจะรู้ว่ามันๆเวลานั้นนี่ตั้งพันกว่า เดี๋ยวก็จะมีคนแบบนี้มาอีกสักคนนึงเพราะฉะนั้นเป็นบุคคลที่หายากนานๆ เรเราก็หาฝังศูนย์ที่มันจะสอดคล้องกับสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนั่นนี่คือ นะพยายามที่จะกลับไปนะ 6 นะเนื่องจากว่าช่วงเวลา 1 นั่นคือทิศเบื้องหน้านั่นคือเรื่องของมารดาบิดาเอ่อมนตรีบิดาที่เราต้อง เรากล่าวไว้ 5 อย่างเอ่อหน้าที่ของมนตรีบิดาที่ปฏิบัติต่อบุตรอันนี้นั้น 2 อย่างแรกนั้น เก็บมันคงคิดว่าลูกเนี่ยมันโตมาเนี่ยมันจะรู้ว่าโตขึ้นมาเองดีนี่เป็นหน้าที่ท่านผู้ฟังถ้าไม่ใช่มั่นดาบิดาสอน ในถ้าลูกกระหนอกมาไม่ดีคุณอย่าไปโทษใครแล้วคุณต้องดู <t ry> เวลาเขาจะพูดเวลาเค้าเราต้องมีการเตือนพูดโกหกอ้าวเราต้องมีการเตือนแต่ถ้าเค้าพูดจริงพูดดีนะพูดจริงเนี่ยบางที ให้เข้าอยู่ในทางนะมากไปแล้วมันเป๋ให 8 นั้นจึงเป็นหน้าที่ของ นะเรื่องการมีมิจฉาทิฐิเป็นบาปเรื่องของการคิดพยาบาทมุ่งร้ายปองร้ายการ ให้อันนี้ถูกต้องเลยตั้ง 3 ก็คือให้ศึกษาศิลปะวิทยาหมายความว่าทรงรูปไปเรียนหนังสือและในสมัยปัจจุบันเรามีหรือบางที นั่นนั่นก็ต้องทําอยู่แล้วใครทําก็ทําได้เด็กนี้เจอพระจันทร์เห็นพระอาทิตย์เราสอน มีก็เรียกว่าสกิลมีความที่ก็อาจจะไม่ได้ 4 ก็คือให้มีคือหมายถึง นะว่าคือในสมัยนี้เนี่ยเรื่องการกลุ่มถุงชนหรือว่าพ่อแม่จัดหาให้กามีใครถ้าลูกเนี่ยอาจจะให้นะ มีศรัทธามีปัญญามั้ยแต่ถ้ามี 4 อย่างนี้ก็ถึงถ้าไม่มี 4 อย่างนี้เราก็ต้องที่อย 5 คือมอบมรดกให้ตามเวลามอบ การลูกให้ราชบุตรองค์โตต่อไปนั่นคือว่าอย่างเช่นว่าถ้าเอ่อผมตัว 8 นี่ก็ แต่ไม่ใช่เป็นมรดกสิ่งของเป็นธาตุเป็นพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าอะไรพวกนั้นไม่ใช่แต่อย 8 อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นมรดกได้หมายถึงความๆสักอย่างใดอย่างแตอยอยอย 90 ปี ลูก 60 ปีอย่างเงี้ย 90 ยังด่า 60 สั่งสอนนั่นนี่คือเหมือนกับเค้ายังไม่โตนะดูเหมือนกับเค้ายังเป็นเด็กอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือ อันนี้ก็ 5 ประการที่เราพูดถึงในที่นี้คือห้ามเสียจากบาปนะให้ถ้าเผอว่ามารดาบิดาทําหน้าที่เหล่า 5 อย่างกับ 5 อย่างที่ ก็คือท่านเลี้ยงเราแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบนะเราจักทํากิจ 5 อย่าง 5 อย่างทั้งเป็น 2 กลุ่มหน้าที่ต้องทําซึ่ง ทิศนั้นเนี่ยจะไม่เป็นภัยเป็นทิศที่เกษมไม่ 5 อย่างแต่ละฝ่ายเนี่ยไม่ได้ๆนะเราทุกข์ใจร้อน เป็นทิศที่เกษมนะเป็นทิศที่ได้รับการปิดกั้นแล้วไม่มีภัยเกิดขึ้นได้เดี๋ยวเรารักษาทิศหน้าที่นี้แครีเองทั้ง นี่ท่านจะเป็นทิที่ไม่มีไว้ในฝั่งไหน